สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมพีบรูบทที่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามนะครับโปรดฟังโอษณะจจของพระเจ้าความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงโดยความเชื่อนี้เองคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อนี้เอง เราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างกาละจักรวาลด้วยพระดารัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นทั้งหลายครับขณะที่เนื้อหาส่วนต้นของจดหมายฝากฉบับนี้นะครับในสิบบทแรกนั้นก็ได้ผ่านไปหมดแล้วผู้เขียนพระธรรมฮีบรูก็ได้ยกตัวอย่างปรุชตรีที่ยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าเป็นบนรรพชนแห่งความเชื่อ ในอดีตที่เขาได้ดําเนินชีวิตตามหลักการแห่งความเชื่อคนเหล่านี้นะครับที่ได้กล่าวถึงนั้นก็เป็นพวกผู้อาวุโสนะครับหรือคําโบราณเขาเรียกว่าพ่อหมู่พ่อหมู่ครับพ่อหมู่ของาศาสนายิาศาาสนยิวนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าพัตทร์อาร์ชพัตทร์อาร์ชพัตที่ไม่ใช่คำว่าฟาเตอร์นะครับก็คือพ่ออานะครับก็คือเป็นมุก เป็นปะมุขหรือเป็นผู้นํานะครับก็คือเป็นบนรรดาชนแห่งความเชื่อหรือพ่อหมู่ครับเราจะรู้ครับว่าคนเหล่านี้นั้นตั้งแต่สมัยโบราณนั้นเขามีความเชื่อมีความศรัทธานะครับสิ่งหนึ่งที่แบ่งพันธสัญญาใหม่ออกจากพันธสัญญาเดิมก็คือการให้ความสําคัญต่อความเชื่อนะครับและตอนนี้นะครับก็ถูกเน้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับในพระธรรมฮีบรูบทที่สิบเอ็ด ที่เราจะได้ยินได้ฟังหลังจากนี้บทนี้นะครับเราจะพบกับรายชื่อหลายคนทีเดียวครับเรียกว่าเป็นพวกพ่อหมู่ที่เรียกว่าของเหล่าวิสุทธิชนทั้งหลายในพระคัมภีร์เดิมชีวิตของเขาก็เป็นชีวิตที่น่าเรียนแบบและน่ายกย่องเพราะเหตุที่เขารักษาความเชื่อไว้จนถึงสุดท้ายมีการเน้นในความสําคัญของความเชื่อ และบอกว่าความเชื่อนั้นเป็นแรงผลักดันเป็นแรงจูงใจนะครับเป็นแรงผลักเคลื่อนชีวิตของคนของพระเจ้าที่จะทําสิ่งต่างๆที่ควรทําเดี๋ยวครับเราจะไปดูกันนะครับว่าแต่ละข้อแต่ละข้ อ, ขอนั้นล้วนแต่มีความหมายลึกซึ้งมากครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของพระกัมภีฮีบรูเลยทีเดียวเราดูครับในฮีบรูบทที่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงในฉบับของคิงเจมส e เขาแปลภาษาไทยอย่างนี้ครับว่าบัตรนี้ความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ความแน่ใจนะครับภาษากรีกเรียกว่า hypostasis p o s t คือความมั่นใจครับการทำให้เกิดความรู้สึกที่หนักแน่นแข็งแรงนะครับ เพราะฉะนั้นพ่อพีตอนนี้จึงแปลว่าความเชื่อคือความมั่นใจความแน่ใจอย่างแข็งแรงอย่างหนักแน่นในสิ่งต่างๆที่เราหวังไว้แล้วเห็นนะครับว่าตรงนี้มีคาว่าความอยู่สองความครับความแรกคือความหวังคําความที่สองคือความเชื่อพี่น้องครับความหวังหรือความเชื่อใครมาก่อนกันคำตอบก็คือว่าความหวังต้องมาก่อนความเชื่อ ความเชื่อจึงเป็นความมั่นใจในสิ่งที่ระหวังไว้นิยามแบบง่ายๆของความเชื่อก็คือว่าเชื่อคำตัดของพระเจ้านะครับคำตัดของพระเจ้าหรือพันธะญาของพระเจ้านั้นเป็นความหวังของพวกเราทั้งหลายเดี๋ยวเมื่อเราตอบสนองด้วยความเชื่อนะครับตอบสนองด้วยความมั่นใจตอบสนองด้วยการให้เครดิตนะครับนั่นแหละครับเรียกว่าความเชื่อความเชื่อ หรือความมั่นใจนะครับถูกทอดสมออยู่ในพระชนะของพระเจ้ามีคนเขียนอย่างนี้ครับว่าความเชื่อหรือความมั่นใจนั้นถูกทอดสมออยู่ในพระชนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการปักนะครับปักแน่นอยู่ในพระชนะปักแน่นอยู่ในคําสัญญาปักแน่นอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าตรัสเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสเรามีความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเรามีความหนักแน่นมั่นคง อยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละครับเรียกว่าเป็นความมั่นใจแห่งความเชื่อพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าตัดอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พระเจ้าตัดได้เมื่อพระเจ้าสัญญากับเราว่าอย่างไรก็จะไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงคําสัญญานั้นได้ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถวางใจในคําตรัสหรือในพระชนะของพระเจ้าอย่างเต็มที่ดังนั้นเองความเชื่อ คือการพึ่งพาพระเจ้าและพระสัญญาต่างๆของพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจนะครับดังนั้นคาว่าวางใจหรือ trust นะครับก็สามารถสื่อความหมายของคำนี้ได้อย่างถูกต้องและบางคนบอกว่าดีกว่าด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเรา believe นะครับเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างจะผิวเผินครับนะครับแต่ถ้าเรา trust ก็เป็นความเชื่อที่ลงหลักปักฐานนะครับหนักแน่นมั่นคง มั่นใจแข็งแรงนะครับในพระสัญญาของพระเจ้าในพระชนะของพระเจ้าในสิ่งต่างที่พระเจ้าตรัสโดยสรุปนะครับความรู้สึกมั่นใจนะครับเป็นความรู้สึกมั่นใจสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงคาว่ามั่นใจนั้นก็มีความหมายว่าพิสูจน์ได้นะครับเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นความเชื่อจึงเป็นข้อพิสูจน์หรือหลักฐานของสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น ถามว่าคุณมีข้อพิสูจน์อะไรนะครับผม ว, ว่าผมมีความเชื่อก็คงจะน่ากบกันครับสําหรับคนที่ไม่เชื่อแต่ถ้าสําหรับคนที่เชื่อเขาจะมีประสบการณ์แห่งความเชื่อเมื่อพระเจ้าตรัสคำมัทธิฐานหรือเมื่อเขาเดินมาถึงคําสัญญาของพระเจ้าและคําสัญญานั้นเป็นจริงความเชื่อเพิ่มพูนความเชื่อเติบโตความเชื่อสะสมพี่รองครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อพิสูจน์เป็นหลักฐานของสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น พระเยซูได้ส่งสัญญาอาณาจักรที่เรายัางมองไม่เห็นและสัญญาถึงบําเหน็จที่รอคอยอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเรามีความเชื่อเน้นหมายความว่านี่คือข้อพิสูจน์ครับชีวิตของเราเป็นข้อพิสูจน์ความเชื่อของเราหลักการเหตุผลง่ายๆนิดเดียวครับว่าถึงแม้ว่าเราจะยังมองไม่เห็นสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ต่อแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่ามีคนมากมายซึ่งเป็นหลักฐานแห่งความเชื่อ คนมากมายที่ตายไปคนมากมายที่ยอมเสียสละชีวิตคนมากมายที่ถูกกลมเหงถูกฆ่าเนี่ยครับคนเหล่านั้นก็เป็นหลักฐานของความเชื่อพี่น้องครับคนมากมายเชื่อเช่นนั้นก็เป็นหลักฐานได้คนมากมายตายไปเพราะความเชื่อก็เป็นหลักฐานได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงความเชื่อจริงกลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่สนับสนุนสิ่งต่างๆที่เราอยางหมอไม่เห็นนั่นเองในข้อที่สองครับ โดยความเชื่อนี้เองพวกบรรพุษก็ได้รับการรับรองข้อความนี้ได้ถอดความได้ว่าว่าเพราะความเชื่อหรือโดยสิ่งนี้บรรดาผู้โอโซหรือว่าเป็นบรรพชนแห่งความเชื่อก็ได้รับคําพยานที่ดีหรือเป็นพยานที่ดีนั่นเองการรับรองนะครับมักจะถูกแปลว่าเป็นพยานหรือให้การเป็นพยานเพราะฉะนั้นประธานนะครับประธานก็คือพวกเขา นะครับถูกเป็นพยานหรือถูกสังเกตจากชีวิตของเขานะว่าตลอดสมัยประวัติศาสตร์ของพอมพีเดิมบรุษและสตรีซึ่งเป็นวีระชนเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นพยานแห่งความเชื่อพี่นะครับในข้อที่สามบอกว่าโดยความเชื่อนี้เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างกาลปรจาติวาลด้วยพระดํารัสของพระองค์ ท่านครับในข้อนี้นั้นมีความเห็นหลายประการนะครับซึ่งแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยความเห็นประการแรกก็คือคําที่แปลว่ากาลปรจั ก, กรวานนั้นถูกใช้เพื่อหมายถึงยุคสมัยต่างๆหรือนิรันดรการนะครับอย่างไรก็ตามครับบางครั้งคําคํานี้ถูกหมายถึงจั ก, กรวาล น, นะครับชวนความเห็นประการที่สองก็คือคําที่แปลว่าสร้างนะครับมีความหมายว่าจัดระเบียบหรือทําให้สมบูรณ์หรือจัดเรียงนั่นเอง ความหมายประการที่สามคือพระดํารัตนะครับหมายถึงคําพูดซึ่งแตกต่างจากคําเขียนนะครับภาษากรีกพระดำรัตแปลว่าเรมานะครับส่วนคําเขียนซึ่งเป็นวระเจ้าของพระเจ้าเรียกว่าโลโกสเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นี่เองครับเราจะเข้าใจถึงความหมายของพระผีข้อนี้ก็คือโดยความเชื่อว่าเจ้าวาลถูกสร้างโดยคำตรัสของพระเจ้า อันนี้ปรากฏอยู่ในชวดีประที่สามสิบสามกถึงเก้านะครับการนารมิตรสร้างสรรพสิ่งไม่ใช่กระบวนการที่กินเวลาหลายยุคหลายสมัยตามที่ทฤษฎีนะครับวิวัฒนาการได้เชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดจากการตรัสและมันเกิดขึ้นทันทีนะครับเมื่อพระเจ้าตรัสการทรงสร้างก็สำเร็จเสร็จสิ้นเหมือนหนังที่พระคัมภีร์พมม ก, การบทที่หนึ่งได้บันทึกไว้ พี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูวลีสุดท้ายซึ่งเป็นวลีที่น่าสนใจเพราะเนื่องจากว่าเราสามารถประยุกต์ใช้นะครับหลักการทางวิทยาศาสตร์ในระดับอะตอมนะครับเข้ามาใช้ได้อย่างนร้นตามครับเรามาดูถึงบทประยุกต์ของความเชื่อพี่น้องครับในฮีบรูบทที่สิบเอ็ดข้อหนึ่งได้บอกกับเราชัดเจนครับความเชื่อคือ ค, อความแน่ใจพี่น้องครับถ้าถามตัวเองว่าเราแน่ใจในความรอดของเราหรือเปล่าแล้วแน่ใจ ถึงพันธะญาของพระเจ้าแล้วเราเชื่อจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเชื่อความเชื่อที่แท้จริงต้องแสดงออกเป็นการกระทำครับเป็นแสดงออกถึงการประพฤติของความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นมีหลายช่องทางที่จะแสดงออกด้วยความประพฤติก็คือชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่เชื่อฟังชีวิตที่เดินอยู่ในน้ํำมัทไถของพระเจ้าชีวิตที่เดินด้วยความระมัดระวงังชีวิตที่เดินภายใต้การส่งนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตที่ เดินนะครับโดยที่มีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นนี่นะครับค exactly mm ือ hmm. ต well ัวอย่างของการมีชีวิตแห่งความเชื่อขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้จักความเชื่อมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะครับว่าความเชื่อนั้นสะสมได้ครับเหมือนกับสะสมแต้มนะครับความเชื่อนั้นเกิดจากประสบการณ์ในแต่ละก้าวแต่ละก้าวของความเชื่อพี่นึงครับชีวิตของเราเป็นอย่างไรในความเชื่อขอพระเจ้าช่วยเราในเช้าวันนี้ที่เราจะไต่ต้อนให้ค่าควร ถึงชีวิตในด้านที่เรียกว่าความเชื่อความศรัทธาที่เรามีกับองค์พระบุญเจ้าของเราอาเมน